เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่สองปลีกวิเวกฉันเลือกได้รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกดินแดนติดทะเลที่เกือบทุกคนจะนึกถึงเสมอเมื่อต้องการพักร้อนฉันคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วไม่รู้สึกว่าขนหน้าแข้งจะร่วงมากก็ตกลงใจอยู่จนถึงวันอาทิตย์หน้ารวดเดียวไปเลย คุยโทรศัพท์ต่อรองไปต่อรองมามีแถมฟรีหนึ่งวันหนึ่งคืนอีกต่างหากทิวทัศสวยที่พักสะดวกสบายสิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อมาถึงห้องพักคือเด็ดปลั๊กทีวีทิ้งจากนั้นก็ตั้งสัญญาณโทรเข้าของโทรศัพท์มือถือให้เป็นแบบสัน่นฉันจะเช็คว่ามีเบอร์ไหนจำเป็นต้องโทรกลับวันละสองรอบพอแค่นี้คงพอจะแปลงสถานอภิรมของชาวโลก ให้กลายเป็นอาศรมฤาษีได้แล้วกระมังขับรถมาจากกรุงเทพหลายร้อยกิโลกำลังเหนื่อยๆต้องขอนอนพักก่อนแอร์กำลังเย็นสบายพอล้มตัวลงนอนแผ่บนเตียงเดี๋ยวๆก็หลับปุ๋ยลืมตาตื่นแล้วลุกขึ้นด้วยความงัวงเงียมองนาริกาก็ตกใจเฮ้ย hey, นึกว่าห้านาทีนี่ป่าเข้าไปเกือบสามชั่วโมง ฉันลังงจริงๆบางทีนึกว่างีบเดียวๆจริงๆปาเข้าไปครึ่งค่นวันแต่บางทีรู้สึกเหมือนหลับไปนานแต่ตื่นมาเห็นเข็มนาฬิกากระดิกไปแค่ครึ่งชั่วโมงความรู้สึกของมนุษย์ไม่อาจบอกเวลาเช้าเร็วได้เที่ยงตรงอย่างเช่นอุปาทานไปว่าเพิ่งมาอยู่ในโลกได้เดียวๆความจริงอาจใกล้ครบรอบที่จะต้องอำลาเวทีนี้ เพื่อเดินสายต่อไปหาเวทีใหม่อีกแล้วฉันไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่บิดขี้เกียจแต่ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำเพื่อทำร่างกายให้สดชื่นทันทีก่อนตะวันตกดินฉันจะไปนั่งสมาธิแถวชายหาดให้ได้ราวห้าโมงเย็นแดดกำลังร่มลมกำลังตกฉันเดินดุ่มไปตามหาดขาวยาวเป็นระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตร เพื่อเข้าถึงเขตที่ผู้คนบางตาและมีภูเขาหินเตี้ยเตี้ยยื่นออกไปในทะเลให้ป่ายปีนขึ้นไปนั่งมองขอบฟ้าจากมุมสูงกว่าพื้นทรายราว20สิบเมตรลมทะเลพัดอู้เกือบตลอดเวลาบางครั้งหอบแรงเหมือนจะมาชะเอาผิวหน้าและเนื้อตัวฉันออกไปเหลือแต่ความโปร่งเบาไร้น้ำหนักลมหายใจของฉันยืดยาวนิ่มนวล และแจ่มชัดยิ่งในทํากลางความเวงว้างของทิวทัศน์กว้างไกลไพศาลฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งหายใจเข้าออกได้เป็นต้นไม้ซึ่งปราศจากสำนึกครอบครองสถานที่เป็นต้นไม้ซึ่งเติบโตจากที่อื่นและมาขอปักหลักอาศัยยอดเขาเตี้ยนี้เพียงชั่วคราวปิดตาลง ลากลมหายใจเข้ายาวระบายลมหายใจออกยาวเท่ากันรับรู้ตลอดสายด้วยจิตใจอันเยือกเย็นสติที่รู้ตลอดสายลมนั่นเองคือเบื้องต้นแห่งความหนักแน่นไม่หวั่นไหวเมื่อรู้ได้ด้วยอาการที่สบายยิ่งหลลมเข้าออกยิ่งรู้สึกได้ถึงความปักหลักมันคงแน่นหนายิ่งขึ้นเรื่อย เหมือนก้อนหินผิวเรียบได้ที่วางลงบนแผ่นดินใหญ่ยาที่แรงกระทาภายนอกจะทำให้โยกเยกกระทั่งฉันเห็นความหนักแน่นคงที่ที่ฐานความรู้สึกขณะเดียวกันก็สาเนียกได้ถึงความใสเบาอันแผ่รัศมีกว้างออกไปเบื้องหน้าและเบื้องขว า, า, ขวารับทราบตามจริงว่า นั่นเป็นสภาพของจิตที่สั่งสมสติมาดีแล้วระยะหนึ่งรวมกับการถูกสภาพเปิดแผ่กว้างขวางของทะเลปรุงแต่งสัมผัสฉันประคองความรับรู้ลมหายใจเข้าออกนับได้สิบครั้งก็เห็นว่าฐานอันหนักแน่นของจิตยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาคลอกแคลกได้แต่ก็สนุกเพราะรู้สึกว่ามีกําลังของความตั้งมั่นมากกว่าอาการขยับเคลื่อนนั้น และเมื่อสติเข้าไปรู้ความเคลื่อนก็สามารถยับยั้งให้สนิทนิ่งเหมือนเก่าแต่เดี๋ยวเดียวกำลังก็ถดถอยทำท่าจะเคลื่อนใหม่ก็ต้องยื้อกลับมาอยู่กับที่มั่นอีกและอีกฐานความรู้สึกอันเป็นสมาธินั้นปรากฏเหมือนช่องว่างที่มีศูนย์กลางในช่องอกและแผ่รัศมีความว่างนั้นออกไปเป็นวงรัศมี ไม่มีลักษณะเพ่งคับแคบเล็งจุดใดจุดหนึ่งแต่เหมือนทอดตาแลไปจนสุดขอบฟ้าด้วยความนิ่งรู้ผ่อนคลายหากดวงรู้อันว่างเปล่านั้นเสียศูนย์ก็จะคล้ายฟองสบู่โยเยเสียรูปหรือถูกแทรกแซงด้วยคลื่นลมความคิดซัดซ่าไม่ตั้งอยู่ในสภาพรู้เห็นสายลมหายใจกระจางชัด ยื้ออยู่กับสภาพล้มลุกของสมาธิเกือบชั่วโมงก็เหนื่อยหมดแรงทั้งกายและทางจิตลืมตาขึ้นเห็นขอบฟ้าเริ่มฉายแสงอาทิตย์อัสดงก็ลุกขึ้นเดินกลับที่พักตั้งเข็มไว้ว่าการนั่งสมาธิที่นี่จะเป็นไปเพื่อประคองจิตให้ตั้งมั่นจนกว่าจะยับยั้งอยู่ในสมาธิได้ยาวๆโดยไม่ขยับขยื้อน ฉันเพิ่งเห็นโอกาสทองจริงจังก็คราวนี้เองแต่ไหนแต่รายการทำสมาธิแม้ดีเพียงใดก็ยังมีกระแส ร, รบกวนจากภายนอกมาบั่นทอนให้ขาดความบริสุทธิ์เสมอบัด น, นี้การอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันปลอดโปรง่งปรักคลื่นความคิดให้นิ่งใส่ตามกระแสจิตจึงผ่องแผ้วสะอาดเบาโดยไม่ต้องออกแรงกำหนดอะไรมาก สภาพโดดเดี่ยวเอกาย่อมปรุงจิตให้คนทั่วไปเปลี่ยวเหงาจับหัวใจทว่ากลับแต่งจิตของผู้ปรารถนานิพพานให้อิ่มเอมเปรมสุขเหนือคำบรรยายเสียงคลื่นกระทบฟังแล้วถดถอยสุขความสงบเป็นระลอกระลอกฟังแล้วแทนที่จะเตือนให้จินตนาการสแสวงหาคนรักมาเดินเคียงกลับส่งให้เงี่ยวหูสดับตามจริงว่า คลื่นน้ำกระทบสิ่งใดแล้วก็จบไปรอคลื่นลูกใหม่มาประทะอีกและอีกคลื่นครั่นและแผวซาแผวซาแล้วคลื่นครั่นมีอยู่เท่านี้จริงๆไม่ต่างจากโลกแห่งผัสสะกระทบเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรได้ลิ้มอะไรได้สัมผัสอะไรได้คิดอะไรเกิดปฏิกิริยาทางใจวูบหนึ่งแล้วก็ดับ รอการกระทบระลอกใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อไม่แส่สายออกไปรับกระทบหยับไม่ปล่อยให้ปฏิกิริยาทางใจเป็นไปในทางยึดมั่นถือมั่นไม่ยินยอมถูกครอบงำด้วยความชอบหรือความชังจิตก็สงบลงเป็นดวงรัศมีผ่องใสจะแผ่กว้างหรือแคบก็ขึ้นอยู่กับกำลังว่าตั้งมั่นได้มากน้อยเพียงใด วันแรกของการพักร้อนเป็นไปด้วยดีมีใจเต็มร้อยกับการภาวนาสถานที่ก็ช่วยปรุงจิตให้สงบรวมกันแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบ ก, บกับการปลีกวิเว่ครั้งนี้มื้อค่ำฉันลังเลว่าจะทานหรือไม่ทานดีนึกๆึกถึงการรักษาสิ้นแปดอยู่เหมือนกันแต่กิเลสเรื่องกินกับเรื่องนอน ยังเป็นแม่เหล็กใหญ่อยู่ในวันนี้ฉันเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างการมานอนรีสอร์ทกับการไปพักตามสถานที่ที่จัดไว้สำหรับนักภาวนาโดยเฉพาะการอยู่บ้านหรืออยู่รีสอร์ทนั้นใจเราจะถูกปรุงให้คิดและรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบภาพเสียงและสัมผัสรอบด้านก็เต็มไปด้วยความรื่นรม ชวนให้เกิดความอ่อนแอยอมแพ้ต่อผัสสะเร้าภายนอกมากกว่าจะปรารถนาประคองจิตตั้งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นไปพอถึงเวลาหิวฉันก็ตัดสินใจเข้าข้างกิเลสด้วยความคิดว่าจะลองอยู่กินแบบสบายๆเหมือนมาพักตักอากาศแบบชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปดูก่อนถ้าหากไม่มีความคืบหน้าอย่างไรค่อยคิดใหม่อีกทีว่า จะตัดอะไรที่เป็นน้ำหนักถ่วงทิ้งเสบ้างฉันสั่งอาหารเบาๆและกะทานแค่ครึ่งท้องคือจะหยุดขณะยังไม่อิ่มเต็มที่พ่อครัวที่เนี่ยฝีมือไม่เลวยากจะอดใจไว้แต่ก็ไหวด้วยความตั้งใจจริงจนได้ฉันทานไม่หมดและไม่สั่งอะไรเพิ่มเรียกเด็กเช็คบิน แล้วเดินลงชายหาดมืดอย่างไม่กลัวโดนตีหัวชิงเงินเท่าไหร่เพราะเขตนี้เป็นหาดส่วนบุคคลอีกทั้งมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั่งนอนบนเตียงผ้าใบเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ทั่วไปเลือกเตียงผ้าใบตัวหนึ่งเพื่อเอนหลังดูทะเลและชมดาวความมืดยามราตรีก่อจินตนาการได้หลากหลาย ฉันสังเกตตัวเองแล้วพบว่าหลังออกจากสมาธิใหม่ๆกับหลังทานข้าวเสร็จหมาดๆปฏิกิริยาทางใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมสวยๆจะต่างกันเป็นคนละเรื่องอย่างเช่นตอนนี้ความคิดเริ่มก่อตัวไปในทางเพ้อฝันเส้อมากฉากธรรมชาติส่วนใหญ่เหมือนแกล้งให้เรารู้สึกอ้างว้างและต้องการมีภาวะคู่กับคนที่สมกัน ภาษะที่ทำให้เกิดราคะอาจไม่ใช่ภาพยวนตาเร้าใจของเพศตรงข้ามเสมอไปโดยมากมักเป็นความคิดหรือจินตนาการของเราเองซะส่วนใหญ่ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสในการมาสุตตนิเทศที่หนึ่งว่ารากฐานของกามย่อมเกิดจากความดำริเมื่อได้กามตามปรารถนาย่อมอิ่มใจแต่เมื่อกามเสื่อมไป ยอมกระสับกระสายเหมือนสัตว์ที่ถูกสอนเสียบแทงแต่กามนั้นเมื่อยังอยู่ในรูปความดำริหรือจินตนาการถวิลหาก็มีกำลังอ่อนฉันเพียงยอมรับตามจริงว่าขณะนี้กำลังมีราคะอยู่ในจิตมีเพราะมองฟ้ามืดมองดวงดาวมองแสงจันทร์และนึกถึงเพศตรงข้ามนึกถึงภาวะคู่ นึกถึงการเกี่ยวก้อยแนบชิดเอาไอาอุ่นของกันและกันรับลมทะเลยามค่ำคืนเมื่อยอมรับตามจริงสติรู้ตามจริงย่อมเกิดในที่นั้นทันทีราคะปรากฏเป็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นเป็นความสุขที่ล่อด้วยเหยื่อในจินตนาการเป็นเงาวาบหวามเป็นกระแสอ่อนหวานที่ทรงพลังดึงดูดมีผลให้จิตตั้งอยู่ในอาการเหม่อหา รอคอยและเปี่ยมหวังสติที่รู้ชัดในราคะนั้นทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเต็มๆวินาทีแรกคือเห็นอิริยาบถครึ่งนั่งครึ่งนอนบนเตียงผ้าใบาแล้วต่อมาสติก็เข้าไปรู้ลมหายใจว่ากำลังลากเข้าและระบายออกยังมีความสุขสำรวจจิตอีกครั้งก็พบว่าราคะเลือนหายไปแล้ว ผู้ที่ผ่านการอบรมและมีฐานสติไว้ดีแล้วเมื่อราคะเกิดขึ้นในจิตแล้วรู้ทันความรับรู้ก็จะแปรไปเป็นฐานสติซึ่งอบรมไว้แล้วนั้นเสมอฉันสังเกตอย่างละเอียดและพบว่าครั้งนี้ไม่ใช่การยกอารม์หายใจหรืออิรยาบทปัจจุบันเข้ามาแทรกแซงแทนที่ราคะแต่เมื่อครู่ฉันยอมรับตามจริง และรู้ตามจริงถึงลักษณะของราคะที่ปรากฏครอบงำจิตเมื่อรู้แล้วภายหลังสติจึงเกิดในอิรยาบทโดยไม่ได้เจตนาอย่างไรก็ตามแม้สติจะรู้อิรยาบทปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นการเห็นจิตปราศจากราคะไปด้วยพร้อมกันในคราวเดียวเพราะเมื่อรู้ตัวอยู่อย่างชัดเจนว่าขณะนี้ปราศจากราคะ ก็คือการเห็นภาวะต่างระหว่างจิตมีราคะแบบเมื่อครู่กับจิตปราศจากราคะอย่างเดียวนี้นั่นเองการฝึกสติปัญญาสี่จึงเข้าถึงกันได้หมดไม่ว่ากายหรือจิตจะเริ่มรู้จากจุดใดย่อมเชื่อมโยงหาอีกจุดหนึ่งในที่สุดขอเพียงปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่พระพุทธองค์วางไว้เท่านั้น ฉันสังเกตต่อไปอีกว่าจิตที่ปราศจากราคะอาจรู้อิริยาบถลมหายใจหรือกระทั่งลักษณะว่างจากราคะของจิตเองจุดสําคัญสําหรับขั้นนี้อยู่ตรงที่การรู้ชัดในภาวะต่างระหว่างจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะเพราะเมื่อรู้ภาวะต่างเมื่อเห็นสองบุคคลย่อมทําลายความมั่นหมายว่า เราเป็นผู้มีราคะแต่จะเห็นเพียงจิตมีราคะก็แค่สภาพหนึ่งจิตไม่มีราคะก็แค่อีกสภาพหนึ่งสติรู้ลมหายใจควบคู่กับอิริยาบทครู่หนึ่งก็เคลื่อนไปหาฟ้ามืดและดวงดาวดารดาดาษอีกฉันปล่อยอารมณ์ตามสบายคราวนี้ไม่มีไฟฝันก่อตัวขึ้นอย่างเมื่อครู่ อาจเป็นเพราะสติจดจ้องอยู่ว่าจะเกิดราคะอีกเมื่อใดหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินผ่านหน้าเห็นสลัวรางในเงาเมื่อที่แสงนีออนอ่อนๆของรีสอร์ทสาดจับดูเป็นคู่ที่สมกันดีผู้หญิงเอลอรชรนอ่อนแอ่วสวดทรงเหมือนนางแบบคัาตัวแพงส่วนผู้ชายก็กำยำล่ำสันดีแม้จะลงพุงไปหน่อย แต่ก็ท่าทางดูแลปกป้องผู้หญิงได้กับทั้งหน้าจะมีสเสน่ห์ไม่แพ้กันนักภาพตรงหน้าทำให้อารมณ์กระเจิงขึ้นมาอีกยอดสุขแห่งสุขขณะอยู่ในโลกมนุษย์ก็คงเป็นอะไรอย่างนี้แหละแค่เห็นก็พลอยปลื้มกึ่งอิจฉายอย่างนี้ถ้ามีสเสี่งบ้างจะสุขหวานสักป่าไหนหนอเกือบตั้งสติไม่ทัน เพราะจิตถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในภาพเบื้องหน้าจนหมดสิ้นเมื่อครูแค่เกิดความดำริในกามยังพอกำหนดง่ายว่ามีราคะในจิตแต่ตอนเนี้ยสายตาถูกดูดเข้าไปติดภาพภายนอกเลยไม่ทราบจะรับมื อ, อยังไงคิดในใจว่าไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่ต้องทำอย่างน้อยที่สุดก็ได้ความรู้เราว่า จิตที่ไปตั้งไว้กับวัตถุภายนอกเต็มเหนียวนั้นที่จะให้เกิดสติย้อนกลับเข้ามาตั้งอยู่ในฐานที่มั่นเดิมคงยากทั้งที่กระซิบบอกตัวเองอยู่ว่าจิตมีราคะตาก็ไม่วายมือตามคู่หนุ่มสาวที่สมกันราวกิ่งทองใบหยกนั้นจนพวกเขาหายขึ้นที่พักไปจึงให้คะแนนตัวเองติดลบอย่างนี้ไม่ใช่มีสติรู้ราคะในจิต เป็นแค่ทองเหมือนนกแก้วนกขุนทองว่ามีราคะในจิตต่างหากการทำงานของจิตยังเป็นคิดไม่ใช่รู้เมื่อไม่เป็นรู้ก็ย่อมไม่เห็นภาวะต่างระหว่างมีราคะกับไม่มีราคะลืมราวกาะไปถนัดใจฉันตั้งใจใหมว่าคราวหน้าถ้าเห็นวัตถุ ก, กามเข้าหูเข้าตา ก็จะทำความรับรู้ลมหายใจไปด้วยเป็นการหารครึ่งระหว่างข้างนอกกับข้างในไม่ปล่อยให้จิตส่งออกนอกเต็มที่อย่างน้อยอย่างขาข้างหนึ่งไว้กับฐานสติอันปลอดภัยแล้วจะรู้เห็นอะไรจนเกิดราคะแค่ไหนก็ช่างเพราะแน่ใจว่าอย่างไรก็ไม่เสียศูนย์อย่างสิ้นเชิงแบบนี้